ซึ่งพวกเขาได้ฟังองค์การต่างๆของพระองค์ก็ไม่ได้เพิ่มอันใดให้แก่พวกเขานอกจากการหยิ่งยักษ์โศและฝา่าฝืนบทนี้ได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันมหาศาลของอัลลอ์ต่อปวงบาวของพระองค์เพื่อที่จะให้พวกเขาขอบคุณต่อพระองค์และไถ่ควรถึงบุญคุณของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเขาทั้งๆ ท, ที่พวกเขารู้ดีว่า อัล่องค์เดียวเท่านั้นคือที่มาแห่งความโปรดปรานทั้งหลายนี้ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งในที่แจ้งและที่ลับและไม่มีผู้สร้างและผู้ประธานปัจจอ ย, ย่างชีพอื่นใดนอกจากอัล่บทนี้ได้กล่าวถึงการที่อัล่ทรงยกย่องให้เกียรติแก่วงวานอิสราเอลอย่างมากมากแต่พวกเขาได้ตอบรับความโปรดปรานและความดีต่างๆของพระองค์ด้วยการดื้อรันและฝ่าฝืน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 เพราะการเปลี่ยนแปลงสีของผมบนศีรษะของพวกเขานั่นเองด้วยพระนามของ a ลล a h ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอหามีม คำพีนี้ได้ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาติแท้จริงในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนย่อมมีสัญญาณอันหลากหลายสำหรับบรรดาผูา้ศรัทธา และในการบังเกิดพวกเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงให้สัตว์แต่และชนิดแพร่สะพัดออกไปนั้นย่อมเป็นสัญญาณอันหลากหลายสำหรับกลุ่มชนผู้เชื่อมัน <S <S <S <S <S <S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 ความหายยนะจงประสบแก่ทุกคนที่โกหกชอบทำบาปย่อมสัมผัสได้ถ um ึงความเจ็บรรดที um ่เการขดู้กก่เขา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 เขาก็ถือเอาบรรดาองค์การนั้นๆเป็นการล้อเลียนชยนเหล่านี้สำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันแอบไปยศ เบื้องหลังของพวกเขาคือนรกยานนับและสิ่งที่พวกเขาขนหายไวจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาได้และสิ่งที่พวกเขาคือยึดถือเอาเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอพ์ก็จะไม่อำนวยประโยชน์อันใดเช่นกันและสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างใหญ่หลวง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 แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ไขคค่ขุดจงกล่าวเถิดแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาให้พวกเขาอาภัยแกบ่บรรดาผู้ที่ไม่หวังในวันทั้งหลายของอัลลอฮ์เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนแก่กลุ่มชน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 และโดยแน่นอนเราได้ประทานคำพีและข้อชี้ขาดและการเป็นนบีแก่วงวานอิสราเอนและเราได้ปัจจัยอย่งชีพที่ดีดแก่พวกเขา <تصفيق> وَأَسِيلَهُمْ بَيْنَهُمْ م ِ ن ا ل أ م ر ف م َ ق ْ ت َ ل َ ف ُ و ا إلَّا م ِ ن ب َ ع ْ د م ا ج َ ا ء َ ه ُ م ا ل ع ل م ُ ب َ ي ا ب َ ي ن َ ه ُ م إِنَّ ر ب ك ي َ ق ض ي ب َ ي ن َ ه ُ م ي و م َ ا ل ق ي ا م َ ة ف ي مَا ك ا ن ُ و ا ف ي ه ي ف ت َ ل ُ و ن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 أفريت من استخد إلهه وهو وأضلله وا وا الله على عينه وقتم على سميعه وقلبه وجعل على غصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أ فلا تذكرون เท่ากับเห็นผู้ที่ยึดเอาอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาเป็นพระเจ้าของเขาบ้างไหม และเราจะทรงให้เขาหลงทางด้วยความรอบรู้และทรงผนึกการฟังของเขาและหัวใจของเขาและทรงทำให้มีสิ่งบดบังดวงตาของเขาดังนั้นผู้ใ ด, ดเล่าจะชีนะ้แนะแก่พวกเขาหลังจากอลัลอพวกเจ้าไม่ได้ไข่ครควญกันดอกหรือ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 นั่นคือความสำเร็จอันชัดแจ้งและส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาองค์การต่างๆของข้ามีได้ถูกอ่านแก่พวกเจ้าดอก แต่พวกเจ้ายะโสโอหังและพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้กระทำผิด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 م م และความชั่วที่พวกเขาได้กระทาเอาไว้จะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคยเย้ยหยันไว้นั้นก็ห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ว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 เช่นญญ น, น, มม น, นั้นแหละเพราะพวกเจ้าได้ยึดเอาองค์การต่างๆขอเลาะเป็นที่ร้อเล่นและชีวิตในโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเจ้าดังนั้นวันนี้พวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากนารกและพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้กลับไปแก้ตัวใหม่อีก ฉะนั้นการสรรเสริญเป็นสิทธิของอรลอพระผู้วิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและพระผู้วิบาลแห่งแผ่นดิน